คุณเจ้าก็เตรียมสังคติด้วยเราจะขอเข้ามาทำว่าหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่ทำไว้เมื่อวันที่13านะแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่ญาติโยมนะที่สนใจแล้วก็จากนั้นก็จะเคลื่อนสิริราชหลวงพ่อไปที่วัดภุกาทองเพราะว่าหลวงพ่อได้สั่งเอาไว้ว่าพิธีการงานศพทั้งหมดนะจะจัดที่นั่น ตามกำหนดที่ท่านที่เคยคุยกันไว้นะก็จะรถน้มสรีระ ท, ท่านประมาณสี่โมงเย็นอันนี้เป็นกำหนดการเดิมนะแต่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักส่วนเรื่องการปรงศพของท่านนี่ท่านก็เคยสั่งเอาไว้นะก็ประมาณวันที่สิบสองหลังจากมรณภาพนะอันนี้ก็เป็นกำหนดการาคร่าวๆนะสาหรับ พวกเรานะที่จะได้รับทราบเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าคนที่ทราบข่าวการาเจ็บป่วยของหลวงพ่อก็คงจะได้เตรียมใจเอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราไม่ร่วมเมื่อไรเท่านั้นเองอันนี้ก็สิ่งที่เรากลัวเกิดขึ้นแล้วนะก็ทำหน้าที่หน้าที่ของเราคือว่าเราก็ อยอมรับความจริงแล้วก็ปฏิบัติต่อสริละของท่านนะให้ให้สมควรแต่หลวงพ่อท่านก็ย้ำไว้นะสั่งเสียไว้ตั้งนานมาแล้วนะว่างานศพของท่านต้องให้จัดแบบไม่ฟุ่มเฟือยนะเสมอกระว่าท่านเป็นพระที่ยากจนนะไม่ฟุ่มเฟือยหลวงพ่อท่าน ที่ท่านรักสังขารนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อนะที่ผ่านมาหลวงพ่อถึงแม้ว่าจะเทศไม่ได้สอนไม่ได้เพราะว่าท่านมีปัญหาในการพูดแต่ว่าก็แสดงธรรมให้พวกเราเห็นมาโดยตลอดทางในแง่ที่แสดงถึงความจริงของชีวิตนะว่าความเจ็บความป่วยนะมันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้น แลนะไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนนะจะเป็นคนที่เราเขารบเขารบคารวะผูกพันเพียงใดนะก็ต้องเจ็บต้องป่วยทั้งสิ้นนะแต่แนวระดยวการท่านก็แสดงให้เห็นว่าความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยก็ได้นะเพราะว่าใจได้พร้อมนะที่จะรับความตาย อย่างที่ผู้ไว้เมื่อชาว่าวิชาชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึงวันตายแต่ก่อนที่จะตายมันก็มีเจ็บป่วยก่อนวิชาชีวิตที่หลวงพ่อได้เรียนมาจากหลวงพ่อเทียนนล้วก็ได้เอามาใช้นะอย่างคุ้มค่านะและเมื่อถึงเวลาที่จะมารณภาพก็ ก็มรณภาพอย่างสงบนะอาการที่หลวงพ่อละสังขารก็เป็นการแสดงธรรมอีกประการหนึ่งนะว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นนะเราทุกคนก็ต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งอาจจะเป็นคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้อย่างที่หลวงพ่อมรณภาพที่จริงก็ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเช้านี้นะเพราะยังคิดว่า ท่านน่าจะอยู่ได้อีกหลายเดือนนะนี่ดูจากสภาพของอสังขารของท่านหรืออาการของโรคนะทางดํนเนินของโรคแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุปรปปับนะมันก็มีเหตุมีปัจจัยสอดแสดงอาการมาตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะก็คือว่ า, อาไอ้ก้อนเนื้อนี่มันมันขยายตัว การขยายตัวก็ทำให้มันเป็นดันท่อที่ฉันใช้หายใจนะเคยหลุดมาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ใส่เข้าไปได้เมื่อทิตทีแล้วมัง้งแต่ว่าคราวนี้มันใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าท่านหายใจไม่ได้นะก็ขาดหายขาดอากาศหายใจนะมรณะภาพนะ อันนี้ก็เป็นธรรมดานะของใครก็ตามอนนี้ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็รับรู้อาการของท่านมาโดยตลอดแล้วก็ท่านก็ท่านก็ได้สั่งเสียเอาไว้นะเป็นบันทึกนะเป็นบันทึกเอาไว้ถึงแม้ว่าท่านพูดไม่ได้ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะการที่ท่านพูดไม่ได้ท่านก็เลยต้องเขียนและเมื่อท่านเขียนมันก็เลยมีบันทึก นะให้เราได้อ่านไ ด, ได้ได้ศึกษาได้พิจารณาอย่างเช่นเมื่อเมื่อเมื่อเดือนเมษานะเมื่อเดือนเมษาเนี่ยก็คือสามเดือนก่อนหน้านี้ท่านก็ บ, บอกว่าขอสั่งลาทุกๆ ท, ท่านธาตุขังธาตุขันคงอยู่อีกได้ไม่นานแต่ความเป็นกรยนานมิตรยังอยู่ตลอดไปนะเราก็คงสราบว่ากรยนานมิตรนี่สำคัญแค่ไหนสราร ก, การ จเจริญในองค์มรรคหรือการประพฤติพรหมจรรย์นะคือเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยนะไม่ใช่เป็นแค่ครึ่งเดียวอีกสองสาทิศต่อมาท่านก็บันทึกไว้ว่าสั่งรามิสาหายทุกท่านธาตุาขันธาตุขันไม่มีวันที่จะอยู่ได้นานคอยในสติปัญญาแทนเป็นปากเป็นเสียงธรรมะตามที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราถึงที่สุดแห่งทุกได้จริงเวลานี้มีแต่ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไร แล้วท่านเขียนตอบไปว่าเวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีทมนำพาไม่มีวันตายเราเห็นประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงขอให้เราจงพากันปฏิบัติไปจะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของนามะรูป49ิกาปีที่ผ่านมาคือวันนี้นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวดี เ, เมื่อเชา้าพูดไปแล้วนะว่าเรื่องความรู้สึกตัวนี่มันสำคัญอย่างไรบ้างนะแลวรู้สึกตัวนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่ฝึกไม่ฝนนะไม่ใช้วิชาที่เราเรียนมานะนะวิชาชีวิตนะที่พูดเมื่อเชา้าน่แหละมันสำคัญมากนะที่นะนำให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะทำให้เกิดปัญญานะเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง หลวงพ่อเคยพูดไว้นะว่าเขียนนอไว้นะว่าตถตาเป็นเช่นนั้นเองนะความตายเป็นเช่นนั้นเองนะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่หลวงพ่อได้แสดงให้กับพวกเรานะนะใครที่ยังมีความผูกพันนะกับหลวงพ่อก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจคล่ำครวญ น, นะ แต่ว่าจะดีกว่าถ้าเราหันมาใคร่ครวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อและที่สําคัญกว่านั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อพูดและแสดงให้เราดูลวงทําอยู่ให้เราเห็นนะอันนี้สําคัญมากหลวงพ่อเนี่ก็ฝากเอาไว้แล้วนะว่าสติปัญญานะอันนี้สําคัญกว่าที่จริงสรีระของท่านนะก็เป็นแค่เปลือกนอกนะ มันก็มีวันเสื่อมมีวันสลายไปนะอีกไม่กี่วันก็จะถ้าไม่ทำอะไรนะัสลีร้านนี้ก็จะค่อยๆเน่าแล้วก็คืนสู่ดินน้ำไฟลมนะแต่ว่าธรรมที่เราบำเพ็ญเนี่ยมันจะอยู่นะกับเรานะไปจนตายแล้วก็สามารถที่จะช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เวลาสุขก็ไม่ได้ หลงไหลเพลิดเพลินจนลืมตัวเวลาทุกข์ก็ไม่กลุ่มอกกุ้มใจจนหมดเนื้อหมดตัวนะแต่ว่าสามารถรักษาใจปกติได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเพื่อเปิดใจให้เห็นสัจธรรมความจริงมันก็มีไม่กี่อย่างนะที่สำคัญสหรับชีวิตก็คือว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วก็ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนนะทุกอย่างมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องเสื่อมต้องดับไปเพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวที่ตัวตนที่เท่งแท้ถาวรอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะพบอย่างถึงที่สุดเมื่อสำเร็จวิชาชีวิตนะแล้วก็ทาให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ อย่างไร้ทุกข์นะเพราะว่าไม่มีตัวผู้ทุกข์มันไม่มีตัวกูหรือของกูนะที่จะพาให้ทุกข์ได้อกต่อไปถึงเวลาตายก็ไม่มีตัวกูผู้ตายไม่มีผู้ตายนะมันก็มีแต่รูปและนามที่เสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยคืนสู่ธรรมชาติอันนี้เพราะว่าตายก่อนตายอย่างที่ทาจารยพุทธทาสได้สอนเอาไว้นะ คือตายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูตัวกูมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้ตายนะะการหมดลมก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสภาพไปตามธรรมชาติก็กสรุปว่าเนะช้านี้เก้าโมงนะพระทั้งวัดก็จะไปทําพิธีขอขามาพร้อมทั้งสังฆาติดเอาไปด้วยส่วนญาติโยงก็ตามมาทีหลังแล้วก็ ทีดว่าหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนศลีละท่านไปทํามอไฟนะแล้วก็จะมีพิธีสงศลีละท่านนะตามที่ท่านตามที่กําหนดไว้เดิมประมาณ4ี่โมงเย็นนะส่วนเรื่องการปรงศลีระอท่านก็คิดว่าประมาณ1ิ1สิบวันหลังจากนี้ก็คือราวลาวันที่สองอันนี้เป็นกําหนดการเดิมนะยังไม่แน่นอนแล้วก็จะยืนยันกันน ะ, ะหลังจากใ น, นทีก็คงราววันนี้ก็คงจะกําหนดออกมาได้ แล้วก็เตรียมรับพร